ก็ทำให้มีศรัทธาอยู่ทําได้ทุกอย่างมีเหตุหมดนะสภาวะทั้งหลายนะถึงจะเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะแต่สภาวะทั้งหลายมีเหตุทั้งสิน้นอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตานั้นแปลว่าไม่อยู่ในอำ น, น, นาจบังคับสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำ น, น, นาจบังคับหรอกมันเป็นไปนตามเหตุอนัตตาไม่ได้แปลวาาป่าว่างเปล่าเอย่ามักง่ายนะบางคนมักง่ายอนัตตาเพราะาไม่มีอะไรเลย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 แต่ต้องดูให้มันสบายนะอย่าดูด้วยความขัดเคืองสภาวะนะดูสภาวะอย่าที่เขาเป็นอย่าพิเกลิดเขาฝากไว้ตรงนี้แหละอา้าวใครจะคุยกับหลวงพ่อตามความจาเป็นกรรมนกรรมนมสการครับก็ส่งกันบ้านต่อจากคราวที่แล้วประมาณ3เดือนครับคราวที่แล้วที่เคยส่งว่าช่วงที่เราปรุงจกกัดการนั่งทำงานนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ครับ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 มันเหมือนมีอัตลึกๆว่าพอใจที่ที่เห็นแสงสว่างแล้วนะครับภาวนาได้ดีมากนะที่ทำต่อไปทำถูกแล้วล่ะเห็นไหมว่ามีแต่ธาตุขันเขาทำงานไม่มีเจ้าของนะดูไปเรื่อยๆดีผมวงพ่มีอะไรชี้แนะพีาะงี้งไปดูอีกทำถูกแล้วล่ะกันวสการอย่างจิตมันแค่เราตรึกในธรรมะนะความสุขมันก็ผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะนะ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 อย่างนั้นเลยอะค่ะหลวงพ่อทายังไงดีก็คอยรู้มันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้ามันสติอ่อนไปก็เลาความรู้สึกหายใจให้แรงขึ้นนิดนึงแล้วก็รู้สึกอ่อนใหม่เล้อจะทราบได้ไงว่าระดับของความเพ่งกับถ้าเพ่งหาจใจจะแน่นๆใจมันจะหนักๆแน่นๆขอบคุณค่ะ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 มีความสุขมากเลยโดยที่ไม่ต้องหาสุขอยู่แค่นั้นแหะทั้งวันทั้งคืนนะแต่บางทีก็สุขบางทีก็อุเบกขาในหลวงปู่สุวัต ท, ท่านเคยเล่าท่านบอกตอนท่านแจ้งท่านใช้คําว่าตอนท่านแจ้งท่านมีความสุขอยู่ปีกว่ากว่าเดี๋ยวนี้ก็เฉยเฉยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอุเบกขามองท่านนะฮะนี่ขนาดอุเบกขาแล้วนะโอ้โหมีความสุขมหาศาลเนี่ย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 ไปดึงมาก็รู้จิตไหลไปเนี่ยอ่อนไปหย่อนไปดึงมาเนี่ยตึงไปตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลนะพอดีจิตนี้ไปคิดบ่อยไหมบ่อยครับนให้รู้ทันตัวนี้บ่อยๆนะไหลไปคิดรู้ทันไหลไปคิดรู้ทันมันจะหลงวนเวียนไปในโลกของความคิดเวลาหลงไปในโลกของความคิดมันจะไม่รู้กายรู้ใจงั้นจิตหนีไปเราวรีบรู้บ่อยๆนะไปฝึกครับ